ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมประโพธิญาณในวันนี้คงเป็นเรื่องจุดเด่นที่ควรสนใจในปฏิจจสมุปบาท ต, ต่อไปอก่อนเราพูดในประเด็นที่ว่าการปฏิบัติเพื่อการเกิดขึ้นของวิชาเป็นต้นจัดเป็นวิชาปฏิปทาเพราะงั้นอีกด้านหนึ่งเนี่ย คือการปฏิบัติอะไรก็ตามนะทํำยังไงก็ได้มันไม่มีรูปแบบคือถ้าเรามองแล้วใกล้ยๆกับการทําสงครามนะสงครามมันรบได้สารพัดรบแบบไหนก็ได้รบแบบกองโจรก็ได้สุ่มตีก็ได้อะไรกะไดก็ได้ก็ไม่รู้รูปแบบมันหลากหลายประการสําคัญคืออยู่ที่การชนะนั่นคือเนื้อหา หรือการไปในสถานที่ใดที่หนึ่งเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเจาะจงมาด้วยไปไปโดยานภาณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไปได้ทงหลายอย่างการถึงจุดหมายปลายทางนั้นคือเป้าประสงค์ไม่จําเป็นจะต้องไปใส่ใจในรูปแปบบเพราะการปฏิบัติอย่างใดก็ตามที่เป็นการดับอวิชชาเป็นต้นเนยจึงจัดเป็นสัมมาปฏิปทาสัมมาปฏิปทาก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพราะอะไรเพราะว่าบาปอากุศลภายในใจเนี่ยได้ลดลงแล้วบุญกุศลก็เพิ่มขึ้นซึ่งก็หมายความว่าความทุกข์ก็ลดลงความสุขก็เพิ่มขึ้นมันก็กลายเป็นสูตรเป็นสูตรหลักว่าโดยเนื้อหาสาระและก็ ม, มองๆกันตรงนี้มองที่ผลมองที่ผลบางครั้งก็เรียกสเร็จประโยชน์ มันสำเร็จประโยชน์ในขณะนั้นๆไหมสำเร็จประโยชน์ในโอกาสต่อไปไหมสเร็จประโยชน์ระดับสูงสุดได้ไหมอะไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเหตุในแต่ละกรณีกรณีไปเพราะในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็อยากจะให้มองถึงปัญหาการมองการมองคนนะฮะการมองคนการมองการกระทำของคนเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสลดุดดู คือสังคมพูดได้อ่อนแอเอามากแล้วก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะคือถ้าเรามองถึงคนที่เข้าวัดความธรรมจำศีนอาตมาบวชมาสี่สิบกว่าปีแล้วแล้วก็อยู่ที่วัดประวรก็สามสิบกว่าปีนะฮะเราก็มีกิจกรรมที่ทำประจำอยู่คือบรมธรรมะวันเสาร์หมดได้สองชั่วโมง คนในแต่ละวันอย่างน้อยก็ร้อยฮะร้อยขึ้นบางทีอาจจะถึงสองสามร้อยบางวันทำมานานแล้วตั้งแต่ปศสองพันห้าร้อยี่สบเอ็ดมีการเทศวันอาทิ์มีญาติโยมมาฟังเนี่ยอย่างน้อยก็สามสิบซึ่งตัวเลขอยู่ดับนี้มานานแล้วสามสิบถึงห้าสิบะแต่เนี่ยไม่ค่อยมากกระไรเพราะว่าวันเสาร์มากกยนะู่้ คือการนาฏที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข่าวครา ว, าวเกี่ยวกับพระนี่ญาโยโมเหล่านี้ไม่เคยถามเลยสักแหะเดียวเลยไม่มีแม้แต่สักคําเดียวแล้วคนที่เข้าว่าฟังธรรมจําศีลก็ไม่ได้ลดลงจะมีอยู่ลดลงอยู่ช่วงเดียวคือช่วงทอดกรถินเท่า น, นั้นเองเพราก็ไปทอดกรถินกันนะฮะนั่นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าคนมีศรัทธาหนักแน่นในาศาสนา บางครั้งก็มาปลอบเราด้วยซ้ำไปบอกท่านอย่าไปคิดมากไม่ได้เรื่องอะไรทั้งทาง่านแต่ทําการมันใดไว้ก็รับผลก็แบบนั้นคือเราไม่ได้ไปคิดมากหรอกแต่เราก็ห่วงใ่ความรู้สึกของชาวบ้านความรู้สึกของสาธุชนทั้งหลายเนี่ยที่ว่าบางทีในแสดงความรอบรู้ในเรื่องาศาสนาคล้ายๆจะรู้นะฮะ แต่ก็ไม่รู้คือไม่เข้าใจว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ยแกเสนอต้องทำอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นคือศาสน า, าพุทธเนี่ยเป็นกรรมวาทีต้องจับประเด็นตรงนี้ให้ได้เลยคือกล่าวถึงกรรมคือการกระทํามนุษย์รับผิดชอบเฉพาะกรรมของตัวเองเท่านั้นเองวี่รับผิดชอบโดยตรงนะฮะแต่ว่ารับผิดชอบโดยโอ้อมมันก็มีแน่นอนเจนสกุลว่าเกิดน้ำมันแทงขึ้นมาเนี่ยเราก็ เปน็นหน่วยหนึ่งมาสังคมมันต้องกระเทียนเกิดพายุฝุ่นขึ้นมาหรือว่าเกิดเกิดจรลาจนขึ้นมาเกิดรถชนกันอะไรแต่ไเนีไหนหน่ไอน้นี่แน่นอนมันมันเรากระทบแต่ว่าเราไม่ได้ผิดกฎหมายเราเพรเราไม่ได้ชนเหมืนคนที่ชนก็จะเป็นไปตามกรรมของเขาอย่างแต่ว่าเราอยู่ในกระบวนการตรงนั้นแต่เราไม่อยู่ตรงนั้นเราก็ไม่เดือดร้อนนั่นก็เกี่ยวกับการคบหา วันโลกกระทั์คือการมองโลกในส่วนของชีวิตนะตามโครงสร้างของพระพุทธศาสนาที่จริงถ้าเรามองดูแล้วเป็นธรรมะพื้นฐานแต่ว่าคนปฏิบัติยากแตนั้นเด็เพราะอะรเพรามันไปสวนกับกระแสกระแสวิญญาณดิบๆซึ่งมีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกคือสัตว์โลกนั้นจะมีวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียน โดยสัญชาตญาณเนี่ยมีความกลัวในขณะเดียวกันก็มีวิหิงษาคือความเบียดเบียนแล้วก็มีความโลภอยากได้ในขณะเดียวกันก็มีริษยาคือเมื่อคนอื่นเขาได้เสียได้ในสิ่งที่เราอยากได้บางก็เลยก็สับสนเราจะเห็นว่ากระแสะความคิดสี่อย่างเนี่ยมันมันต่อสู้กันเองขัดแย้งกันเองแล้วก็ทำให้คนปฏิบัติความดีได้ลำบาก เพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่เราโลภเนี่ยคือเราอยากได้มากอยากได้ยเยอะๆถามอยากได้เท่าไหร่ตอบไม่ได้พระเจ้าจึงทรงแสดงโดยสรุปว่านาทีตัณหาสมานาดีแม่น้ําเสมอด้วยตัณหาไม่มีในธรมมเทศน์นั้นท่านแสดงว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธานตุตัณหาหมายถึงสัตว์โลกเนะ่ยสัตว์โลกไม่มีคําว่าเต็มคําว่าอิ่มคำว่าพอคําว่าหยุด สภาพจิต ท, ที่ถมไม่รู้จักเต็มในขณะเดียวกันเรียนขี้เกียจแล้วผลมากๆเนี่ยร่ลำรวยมากๆ ม, มันต้องขยันมากๆแต่ธรรมชาติอย่างหนึ่งก็คือขี้เกียจจะเห็นแก่ตัวเนี่ะขี้เกียจทนุถนอมตัวเองต้องการความสะดวกสบายเพราจึงอยากได้อะไรแบบไม่มีเหตุผลอยากได้ลอยๆโดยการดนบันดาลจยากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแต่ไรเนี่ย แล้วพอคนอื่นได้ในเกิดิศ ย, ยาเพราะอยากได้เเองโดยโดยโดยไม่ได้มองว่าเขาใช้ความเพียรพยายามอย่างไรเขาจึงได้เนี่ยเราไม่สนใจนะแต่อยากได้ิษยาในขณะเดียวกันก็ไอ้ด้วยความกลัวเนี่ยมันก็ไม่ต่อสู้กับการเบียดเบียนเพราะมนุษย์จริงจะเบียดเบียนคนที่ต่อสู้ไม่ได้ ก็แนยที่เราเห็นว่าเจ้าพ่อคนใหญ่คนโต ต, ต่างๆเนี่ยนะแสดงอํานาจบาดใหญ่ให้ลูกน้องจับายตรงนั้นข้ามือไพ่หลังไว้หรือปิดตาไว้นะตัวเองก็ต่อยต่อยคนที่ถูกปิดตาแล้วก็มือไพ่หลังนะต่อยเอาต่อยเอาแสดงความยิ่งใหญ่แต่หัวเราะแสดงอาการพยองลําพองนั่นคืออะไรคือความขลาด แต่มันกลัวแกแต่มันก็อยากจะเบียดเบียนอยากจะแสดงพลังอํานาจธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนะสุนัขสุนึ ก, นกเราลองดูเถอะธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นเองทีนี้พอมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็กลายเป็นความรู้สึกที่ถือว่าแรงเนี่ยคือเป็นเราเป็นเขาที่แรงมากๆเนี่ยคือเราเท่านั้นต้องได้เราเท่านั้นต้องอยู่เราเท่านั้นต้องเป็นคนอื่นขวางเราไม่ได้ก็เกิดสภาพความคิดที่เรียกว่า ขครยองค่าอยู่ใครขวางข่ากายแล้วในที่สุดมันจะเข้าไปเบียดเบียนทําลายชีวิตทรัพย์สินของกันและกันเพื่ออะไรเพื่อมาเป็นของเราไม่ต้องการในคนอื่นได้คนอื่นมีคนอื่นเป็นแต่ต้องการให้ตนได้ตนมีตนเป็นแต่ก็กลัวอย่างที่ว่าก็ต้องหาพระพวกนะพระพุทตัวเองก็กลายเป็นเรากับพวกเรา ก็กลุ่มก็ไปเป็นแถวลองสักเกตพวกนักเลงอันตราพานพวกเจ้าพ่อพวกอะไรต่อะไรทั้งหลายลลงไปก็เป็นฝูงนะนั่นคือธรรมชาติของเขาโรคมันไม่สงบอ่ะเพราะนั่นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนธรรมะที่แนวเรียกว่าสัมมาปฏิปทานะฮะคือการปฏิบัติชอบในในกรณีของคนเนี่ยทำยังไงจะปรับสภาพจิตให้ยอมรับนบถือสถานภาพ ของกันอะไรกันโดยระบบของศีลอย่างที่เคยพูดมาแต่ประการสำคัญว่าแนวมองตรงนี้อย่างว่าในเรื่องทิศฐกเอาพระกับชาบ้านก่อนให้เราสังเกตว่าให้คนสองกลุ่มซึ่งว่าที่จริงมันไม่รู้จักอะไรกันแต่ว่านับถือศาสนาเดียวกันเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธจเจ้าเดียกันญาติโยมก็เป็นอุบาสกบสิกา พระก็เป็นภิกษุเป็นสามนเณรมาก่อนก็มีภิกษุณีอยู่ด้วยหรือว่านับไม่ชี้เขาไปด้วยก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าพอมาถึงในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าพระที่ไหนก็บ้านเ็าอยู่แถวๆนั้นนี่กระหมายความมาคนนอกวัดเนี่ยลูกหลานเขาบวชอยู่ในวัดนั่นแหละก็ที่จริงในแง่ของสังคมเนี่ยมันก็คือญาติพี่น้องกัน อาจจะไม่เป็นญาติโดยสายเลือดแต่ว่าคนอยู่ในท้องถิ่นเดียวกันเป็นคนไทยด้ยวยกันใดแต่ไหนเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันเพราะทําอย่างไงจรจึงจะอยู่ร่วมกันโดยความรู้สึกเป็นมิตรดังนั้นการจะเกิดความเป็นมิตรเนี่ยมันจะต้องอุปการะปฏิการกันเป็นภาพของกิริยาปฏิกริยาแบบเงาในกระจก พระเจ้าทรงแสดงว่าผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้แกทำยังไงว่าให้พระไตรบ้านเนี่ยมีความรู้สึกเป็นมิตรกันนั้นก็คือพระแสดงออกซึ่งเมตตาเมตตากรุณามุาทิตาเบขานะฮะแต่ตัวหลักจริงก็คือเมตตาเมตตาให้ได้ก่อนเพราะถ้าอย่างอื่นเมตตาไม่เกิดอย่างอื่นมันเกิดยากมากเพราะอะไรเพราะมันจะแกว่งไปเป็นพยาบาทก็แกว่งไปเป็นผูหญิงสาแกว่งไปเป็นลิษยา มันจะแกวนไปโน่นเรื่อยทุกทีได้ใกล้ๆนะแต่จิตใจเราจะออนไหวไปได้ในเรื่องเหล่านั้นได้ง่ายเพราะในแนวที่ถกซึ่งพระเจ้าทรงแสดงเป็นหลักปฏิบัติสําหรับกลุ่มคนที่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทางสายเลือดอย่างหนึ่งทางภารกิจการงานอย่างหนึ่งทางร่วมองค์กรสถาบันกันอย่างหนึ่งอย่างพระกัตราย์บ้านเนี่ยถือว่าร่วมสถาบันศาสนาด้วยกัน ก็ให้ชาวบ้านมีความรู้สึกต่อพระนี่โดยเมตตาทำอะไรเกี่ยวกับพระก็ทำโดยเมตตาพูดอะไรที่เกี่ยวกับพระก็พูดโดยเมตตาคิดอะไรที่เกี่ยวกับพระก็คิดโดยเมตตาแล้วก็พร้อมที่จะแสดงความเมตตาการุณาออกมาโดยการสงเคราะห์โดยการบูชาก็ตามสมควรแก่กรณีนะเมื่อท่านมาสู่สำนักของเราก็พร้อมที่จะต้อนรับหรือบางครั้งเรามีปัจจัยลาภ ถ้าศรัทธาจะถวายก็นําไปถวายหรือนําไปทำบุญตักบาตรจะไม่เราทำกันเนี้คือกลุ่มที่ก็ทําหน้าที่อย่างนี้ไม่มีปัญหาหรอกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเขาเคยตักบาตรก็ก็ตักบาตรเขเคยเข้าวัดก็เข้าวัดเคยไหว้พระสวดมนต์ก็ไหว้พระสวดมนต์เขาเข้าใจในกฎของกรรมทีนี้พระก็สอนให้มีเมตตาการุณาต่อชาวบ้านจนบางครั้งบางคราวก็ต้อง ออกไปทํางานที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์อย่างที่เราก็เห็นกันนะครับเพราะพระพเจ้าสอนไว้ว่าให้ห้ามปรามชาวบ้านไม่ทําความชั่วให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามแตสงเคราะห์ชาวบ้านในน้ําใจอัน ง, งดงามให้เขาได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังอธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจมแจ้งบอกทางสวรรค์ให้นั้นก็หมายความว่าแต่และข่ายเนี่ยอยู่ร่วมกันด้วยเมตตา คือมุงดีปรารถนาดีพร้อมที่จะเอื้อประโยชน์เกื้อกูลต่ออีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรในฐานะของตนชาวบ้านก็มีทรัพย์สินเงินทองก็สงเคราะพระด้วยวัตถุสิ่งของพระไม่มีทรัพย์สินเงินทองก็สงเคราะ์ด้วยธรรมและในที่สุดก็มีลักษณะของการบริการอะไรต่างๆอยู่โดยเฉพาะในกรณีที่เรียกว่าสงเคราะห์ชาวบ้านในนาใจอันงามเนี่ย มันเป็นงานออกมาในรูปของสังคมสงเคราะห์สาธารนณะสงเคราะห์ศึกษาสงเคราะห์แต่เรื่องเหล่านี้ไม่ค่อยเป็นข่าวหรอกคือชอบไปเล่นข่าวในกรณีที่พ ร, ระกสิกาเนี่ยชอบไปเล่นข่าวแต่ถ้าเรามองจริงๆคนกลุ่มนั้นไม่คเคยข้าวัดเนะ่ยไม่เคยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวข้องอะไรกับวัดเท่าไหร่หเพราะนัเวลากิจกรรมที่ดีงามเนี่ยเขาจะไม่นำเสนอ แต่ว่าอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะรีบสเสนอก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าในความเป็นพุทธบริษัทเนี่ยแล้วปรารถนาที่ย้ายสุขภาพจิตของตัวดีที่เป็นสัมมาปฏิปฏาทาคือปฏิบัติีปฏิปฏปฏปฏปฏปบัติชอบต่อกรณีของบุคคลนั้นทรงสอนให้มองคนคนในโลกถ้าเรามองโดยภาพรวมเนี่ยมันจะมีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันแลวสี่ประเภทก็ได้นะ ประเพทหนึ่งคือคนทั่วไปทั้งคนทั้งสัตว์หมายความว่าสิ่งมีลมหายใจเข้าออกทั้งหลายเนี่ยทรงสอนแบบให้พัฒนาจิตตัวเองขึ้นไปจนมีความรู้สึกเมตตาเมตตาสากลนะะหมายความว่าเมตตาไปทุกทิศทุกทานเ็าเรียกว่าไม่มีประมาณแต่ว่าตอนตอน้ตนๆนะเอาเฉพาะกลุ่มกันได้ได้ก่อนอะไรแจิต ใ, ใจเรายังไม่เข้มแข็งมากพอ จนว่าเกิดอะไรขึ้นมาในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรเช่นว่าเขาระวังดีต่อเขาแล้วเขาไม่ได้วังดีต่อก็ไม่โกรธนั้นแสดงว่ามีเมตตาอนุภาพในสูงประจัดความโกรธได้แล้วก็ทําอะไรก็ตามไม่ได้มุ่งคิดว่าเราจะได้อะไรแต่คิดเราจะให้อะไร จะสงเคราะห์เขาอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการแสดงออกทางกายแต่เราจะเจอเยอะนะฮะคำบาลีนี้ไม่ตากายกรรมมังไมตาวจีกกรรมมังไมตามโนกรรมมังนี่จะเจอ เ, ย, เยอะเพราะสังคมต้องอยู่กันอย่างนี้นอย่างที่ศุนทรภู่ทั้งกล่าไวไว้ไปว่าปราถนาสารพัดในปัตภีอมิตรีแลกได้ในใจจง จนเมตตาดันมีอนุภาพมากที่จะไขจัดความรู้สึกต้องการในทางผลประโยชน์หรือในทางเพศก็ในแนวของความรักนะลองสังเกตว่าแนวของความรักบางทีมันมันไม่ใช่ทำมามันมุ่งให้เขาตอบสนองความต้องการของตนได้เมตตาเป็นรูปอภิบาลเป็นรูปอภิบาลอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาอภิบาลและพร้อมที่จะอดทนรอคอยให้อภัย แก่คนที่ไม่พร้อมถูกล้มทั้งพลาดเนี่ยมันเกิดให้อภัยได้แม้แต่เขาก้าวร้าวรุ่งเกินเราในเราให้อภัยได้คือสรุปว่าเราไม่ทําชั่วเพราะเขาเป็นเหตุเพราะเราทำดีกับเขาทีนี้พอเขาประสบความทุกเนี่ยตามปกติแล้วจะเกิดอาการซ้ําเติมโดยธรรมชาติถ้าเราขาดเมตานะแต่ถ้าเรามีเมตตาจะเกิดกรุณาคือต้องการที่จะช่วยเหลือเขาให้รอดพ้นจากความทุกข์ แต่ถ้าเราไม่มีเมตตาตรงนี้มันจะเกิดวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนต่อการซ้ำเติมต้องการดูเช่นว่าไปดูมวยในลองสังเกตนะคือบางทีแสดงสัญชาตญาณดิบออกมาเอาล่อยมันต่อยมันเอาให้ตายเลยเอาให้ตายเลยหรือว่าบางทีเห็นมไหมฮะเขาปะท้วงอะไรที่ฆ่ามันฆ่ามันอะไรก็ไม่รู้คือแสดงถึงสภาพจิตนี่ไม่ปกติมากๆมันสัญชาตญาณสัตว์ที่มันออกมา ต้องการจะซ้ํำเติมคนที่หกล้มคลั่งคล่ า, าไม่ใช่วิธีการแบบพุทธแบบพุทธต้องกรุณานะสงสารต่อคนที่เขาหกล้มคลั่งคล่าเขาประสบทุกภัยโรคพูดง่ายว่าทุกภัยโรคนี่ทีนี้จะเข้าประสบความเจริญก้าวหน้าซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยเราริษยา์สยามที่บอกว่าธรรมชาติคนขี้โลกเห็นแก่ตัวนี่จะริษยาแต่ส้ามาคนที่เราเมตตาเป็นฐานจิตอยู่เนี่ย เราจะไม่ริษยาแต่จะเกิดมุติตาและก็ต้องพัฒนาให้มุติตาเนี่ยมันบริสุทธินะ์เนี่ยถึงมุติตาบางอย่างให้ลองตะเกะว่าไม่บริสุทธิ์เป็นมุติตาที่คล้ายๆกับว่าเพื่อนได้รับเรื่องขั้ น, นงเงินเือนเพื่อนถูกหวยเพื่อนได้ลาบผลประโยชน์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปขอส่วนแบ่งเขาขอแบ่งเขาขอช่วยเหลือเขาจะน้อยก็ขอเขาเลี้ยงสักมื้อเดือนงอะไรเนี้ย มันไม่ใช่มุติตาบาลีท่านเรียกอุนยะคือต้องการมีส่วนแบง่งต้องการมีส่วนร่วมกับเขาเราไม่ได้ก็โลภนะฮะจร่จริงก็โลภแต่ว่าไม่โลภเอาทาั้งหมดทีนี้ตรงนี้ให้เราสังเกตวนะ่าเช่นสมมติว่าเพื่อนได้าลาบได้ยศขึ้นมาแล้วไม่ยอมเลี้ยงเลยเนี่ยเราจะโกรธเลเวล น, นี้ไปเป็นนอม่าขนาดเราไปงานศพไม่มีหนังสือจำร่วยยังโกรธเลยน่ากลัวนะฮะความคิดบองคนเนี่ย เ, เรื่องที่น่ากลัวมากแล้วทีนี้ในกรณีที่มีปัญหาอย่างที่เคยยกตัวอย่างวันก่อนมาเรื่องพระที่มีปัญหานี่ก็เรื่องเขาเขาอะนะแล้วว่ากันตามความเจริงที่ตลกที่สุดก็คือเมื่อตอนพระเหล่านี้เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่เราไม่เคยทําบุญไม่เคยไหว้ไม่เคยรู้จักอะไรเลยคนส่วนใหญ่ที่วิภาควิจารณ์เนี่ยในสมัยนิกรเนี่ยเคยเจอคนที่เมืองแกลงกับที่ลบบุรี เลิกทําบุญเลิกเข้าวัดก็เจอกันพอดีก็ถามว่าทําไมเลิกเลระโยมโอ้ยไม่ชอบพระเกลียดพระถามว่าพระอะไรบอกพระนิกรพระนิกรในโยมรู้จักหรือเปล่าไม่รู้จักอยู่ที่ไหนโยมอยู่ที่เชียงใหม่โยมเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นแต่ตอนก็ทําดีในโยมได้ทําดีอะไรเขาหรือเปล่าก็ไม่เอา้าแล้วพอเขาถูกหาว่าทําไม่ดีทําไมโยมเขาทําไม่ดีด้วยละ่ะ โยนทำไมมาเลิกเลิกทำความดีส่วนตัวโยมอัเ น, นี้คือเราไม่เข้าใจในกฎของกรรมเพรา ะ, ะอุเบกขานี่คือไม่มองด้วยความยินดีหรือความยินร้ายเวลาคนอื่นเขประสบความพิบัติเดือดร้อนเนี่ยเพราะยินดีก็แสดงว่าใจระบากมากเพื่อนเดือดร้อนอย่างไปสะใจรู้สึกสะใจนะฮะยินร้ายก็แสดงไปซ้ําเติมเขามันก็เกินไปละเพราะตรงนี้ที่สอนเรื่องกฎของกรรม แมื่อเราพิจารณาในการเจริญอุเบกขาพรมิหารเนี่ยเกยพิจารณาโดยนิย่าที่กล่าวแล้วว่าเรามีกรรมเป็นของก็ตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นผ่อพันธุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมบันไดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเพรท่านรูปนั้นจะเป็นใครก็ตามอะท่านถ้าท่านทํากรรมก็ท่านก็รับผลกรรมไปแล้วท่านก็รับไปแล้ว เราไม่จาเป็นจะต้องขอโดยสารทำกรรมด้วยทำบาปกับเขาด้วยตัวนี้เราดูตัวข่าวคราวทุกวันได้นะฮะสามารถดูได้เลยทุกวันจะออกกระทั่ช่องไหนกันนั่นเองวมรณาตํานวดนําคนไปทําแผนประทุษ ก, กรรมแม้วีรชนออกมาเยอะเลยรบริษัทไทยมุงทั้งหลายเนี่ยเข้าไปทุกตีเขาด่าว่าเขาบางทีก็ชกต่อยเขา แล้วก็นึกว่านั้นคือวีรกรรมคือเราผิดศีลตั้งสองข้อนะศีลข้อปารณาคือประทุษร้ายชีวิตเขาศีลข้อมุสาคือด่าว่าเขาแล้วถามว่ามันได้อะไรขึ้นมาได้ทําบาปได้ทําบาปได้ขอร่วมทําบาปกับเขาด้วยเพื่อเขาตกนรกจะได้ตกนรกด้วย คือความคิดติดแปลกมากแล้วก็แก้ไม่หายไม่รู้คิดเกิดมาได้ยังไงแล้วบางคนเป็นคนใหญ่คนโตนะในบ้านในเมืองนีอ่ออกตุรทัศน์ออกวิทยุพูดมาคล้ายๆล้ายาคาดมากร้ายแย่แน่ไม่ได้ตรวจสอบตัวเองาศาสนาเนี่ยเสอนตรวจสอบตัวเองกฎของกรรมเนี่ยมันก็ไม่ไปตรวจสอบคนอื่นแต่ว่าตรวจสอบตัวเองเรารับผิดชอบกรรมองเราเรามาสู่โลกนี้ด้วยกรรมของเราเราอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมของเราเราจากโลกนี้ไปด้วยกรรมของเรา ท่านเหล่านั้นถ้าผิดกฎหมายบ้านมืองเมื่อมีคนดำเนินการอยู่แล้วเราจะด่าสักล้านคนก็ไม่ได้เพิมความชั่วยให้แก่เขาแม้แต่เลยนิดเดียวเลยไม่ได้เพิ่มให้แก่เขานิดเดียวเพิ่มให้เราแค่นั้นเด็ก็ชั่วเท่าที่เขาช่วสมมุติว่าพระก่อฆ่าคนตายเนี่ยสมมุติพระก่อฆ่าคนตายแกก็เป็นทั้งปรารชิกแล้วก็เป็นทั้งฆาตรกรคนรุมกันด่าหมดทั้งโลกเลย นายกอคนนั้นไม่ได้เพิ่มบาปขึ้นอีกเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าคนอื่นขอโดยสารทำบาปด่าฆาตกรก็บาปนะด่าแมวยังบาปเลยอันนี้คือสิ่งที่เราสับสนในเรื่องธรรมะล้วก็ไม่เข้าใจว่าการมีธรรมะนะ่ะหมายความมายังไงการปฏิบัติธรรมะน่ะคือหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามเราไม่ขาดทุน มีโลกทัศน์มีวิสัยทัศน์ที่จะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นโดยตัวเองไม่ขาดทุนคือไม่เพิ่มบาปอย่างน้อยที่สุดต้องไม่เพิ่มบาปแต่ถ้าเรามองเป็นแล้วเราจะหาประโยชน์ได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนั่นคือวิธีของพุทธท่านฟังทั้งหลายแต่พระพุทธญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นกำนีที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูุญในธรรมต่มีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี